เรื่องพระผู้มีพระภาคตรัดห้ามเพราะไม่ชอบทำสามร้อยแิกษุทั้งหลายถ้าเป็นกรรมที่แบ่งพวกโดยไม่ชอบรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทมถ้าเป็นกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทมถ้าเป็นกรรมที่แบ่งพวกโดยชอบธรรม ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้าเป็นกรรมที่แบ่งพวกโดยทมปฏิรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้ากรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุรูปเดียวลงอุเขปนิยกรรมพิกษุรูปเดียวไม่จัดเป็นกรรม และไม่ควรทำพิกษุรูปเดียวลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุสองรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำพิกษุรูปเดียวลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำพิกษุรูปเดียวลงอุกเขปนิยกรรมสอ์ไม่จัดเป็นกรรม และไม่ควรทำพิสูจน์สองรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำพิสูจน์สองรูปลงอุกเขปนิยกรรมพิกษุนสองรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำพิสูจน์สองรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูป ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุสองรูปลงอุเขปนิยกรรมสงไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุหลายรูปลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุหลายรูป ลงอุกเขปนิยกรรมภิกษ <Mind Di ash io> ุนสองรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำพิสูจน์หลายรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำสงลงอุกเขปนิยกรรมสงไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ ภิกษุหลายรูปลงอุกเขปเนิยกรรมสงไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำสงลงอุกเขปเนิยกรรมสงไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ